สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการสถานีเล่นหลังเลิกเรียนทุกวันอาทิตย์นะครับเรื่องราวของการสร้างพื้นที่ที่จะให้ทั้งคนแก่เด็กเยาวชนคนพิการได้มีพื้นที่ที่จะร้องเล่นสนุกสนานและก็กลับมาสร้างพื้นที่ที่จะให้เกิดแรงบันดาลใจและการสร้างสรร์แก่กันและกันอีกครั้งนะครับ วันนี้โดยปกติแล้วผมครูไก่นะครับก็จะมาพร้อมกันกับคู่หูสามัญประจำบ้านก็คือครูติ้วนะครับแต่อเผอิญว่าวันนี้ครูติ้วติดภารกิจต้องขึ้นไปที่เมืองเลยนะครับอำเภอปากชมเพื่อไปสร้างดินแดนอีกดินแดนหนึ่งที่เราเรียกกันว่ายูโทเปียนะฮะเป็นพื้นที่ทำกา ร, กรเกษตรของมอใหม่ที่เราจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดจาก หลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็น WiFI ไปไม่ถึงนะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงไฟฟ้าไปไม่ถึงนะฮะเด็กๆที่อยู่ครูที่อยู่ตอนนี้ก็กําลังพากันทำข้อกมา้าปลูกผักเตรียมแปลงเกษตรสําหรับที่จะต้อนรับเพื่อนๆที่จะขึ้นไปเก็บตัวแล้วก็ทํางานศิลปะร่วมกันที่เมืองเลยนะฮะเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งเดี๋ยว มีโอกาสดีๆเดี๋ยวผมจะเล่าถึงพื้นที่นี้ให้ฟังกันแล้วกันนะครับวันนี้ผเผื่อว่าเรามีแขกพิเศษด้วยวันนี้นะฮะที่จะเป็นนักเรียนจากม อ, อกใหม่หนึ่งคนที่เติบโตขึ้นมาว่ากันว่าเขาเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการตั้งชุมชนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องชาดกครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อชาดกครับผม เด็กชายคิตภูมิสายศิลนอายุ14ปีครับผมเอกที่เรียนคือเอกเซอร์กัสครับผมกายกรรมครับอยากให้น้องชาดกพูดถึงประสบการณ์การเดินทางของตัวเองตลอดระยะเวลาที่ร่ำเรียนอยู่ที่คณะละครมอดกหมาย เ, เป็นไงมาไงถึงได้เรียนอยู่ที่นี่และก็เรียนมากี่ปีแล้วครับก็เ ท, ท่าที่ก็เรียนมาตั้งแต่เท่าที่จําความได้ครับผมเพราะว่าพ่อกับแม่ของผมเป็นครูที่โรงเรียนนี้ด้วย แล้วก็ประสบการณ์ที่เคยได้เดินทางไปก็หลยไปหลายๆประเทศครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียเยอรมันเบลเยียมฝรั่งเศสสวิสเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กอเมริกาครับผมว้าวเดินทางไปไกลขนาดนี้มีประเทศไหนที่รู้สึกประทับใจนพิเศษไหมครับก็มีอยู่2ประเทศครับผมคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ดัฐมานทนาประเทศอ เ, อ, เอเมริกาครับผมแล้ว ทำไมถึงได้เดินทางไกลขนาดนี้เด็กอายุ14แต่ไปมากว่า10ประเทศขนาดนี้อยากรู้เหลือเกินว่าอะไรไปได้ยังไงทําไมถึงไปได้แล้วไปทําอะไรฮะที่เราไปกันนะครับคือเราเอาละครเนี่ยไปแสดงตามวัดวัดไทยต่างๆที่อยู่ตามต่างประเทศเพื่อระดมทุนมาปีที่ผมไปเนี่ยคือระดมทุนมาสร้างไฟฟ้าสามเฟส เข้าที่โรงเรียนของเราเพราะว่าโรงเรียนของเรากําลังจะทําห้องอัดซึ่งตอนนี้ก็ได้ทําสําเร็จเรียบร้อยก็เลยได้มาเป็นรายการวิทยุอย่างนี้นี่แหละครับผมแล้วไปเดินทางไกลขนาดนี้ในวัยสิปีนะครับและกลับมาที่มอรดกใหม่นี่หน้าที่ของชาดกที่มอรดกใหม่หรือที่สถานีเล่นนี่ทําหน้าที่อะไรครับผมอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทีมจางวังดําครับผม อ้าวทำไมเป็นทีมจางวังดำอะฮะที่ทีมของมรดกใหม่เนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ทีมครับผมมีจางวังขาวจางวังดำแล้วก็จางวังขังครับผมแต่ละทีมก็จะมีทรัพยากรของทีมก็แตกต่างกันไปส่วนทีมผมคือทีมจางวังดำผมทําหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ทีมครับผมอ้าก็มีหน้าที่ต้อนรับแขกและก็ประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผม แล้วก็ในสถานีเล่นนี้คือจะสังเกตว่าเด็กๆทุกคนได้ลงมือทำร่วมกันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่จัดตเตรียมสถานที่ทำความสะอาดรวมไปถึงการรวมไปถึงการซ้อมดนตรีเตรียมการต้อนรับแขกนั้นด้วยครับผม ทุกคนสมาชิกทุกคนก็จะมีตำแหน่งหน้าที่ในการจัดการของตัวเองและก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นของตัวเองไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมน่าสนใจมากนะฮะเด็กๆ ที่สถานีเล่นนะครับเท่าที่ทราบมาคือทุกคนก็จะมีหน้าที่ของเขาที่จัดการในรับผิดชอบในส่วนต่างๆซึ่งเด็กๆทุกคนในที่นี้เป็นนักเรียนและก็เป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมทุกๆคนเล่นดนตรีไทยได้เล่นดนตรีสากลได้แล้วก็ราโขนเป็นครับผม อ, อ๋อแปลว่าโรงเรียนบ้านเรียนมอดอกใหม่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วคือเราเรียนผ่านแปดกลุ่มสาระทั้งหมดผ่านกระบวนการการเรียนรู้ผ่านละครหมดเลย ครูช่างเคยเล่าว่าวิธีการเรียนการสอนของคณะละครมอดอกหม่เราไม่ทําอย่างอื่นเลยเราทําแค่หนึ่งคือเล่นละคร2ท่องเที่ยวถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็หรือท่องเที่ยวหรือเล่นละครก็ได้ใช่ครับเพราะว่าเด็กๆ เ, เขาก็จะหนึ่งตลอดระยะเวลาหนึ่งปีทุกคนก็จะวนเวียนกันไปเพื่อที่จะไปต่างประเทศด้วยนะฮะ ไปด้วยพลังงานอะไรพิเศษบางอยา่างแล้วก็หาทุนไปเองไม่ได้พึ่งทุนจากหน่วยงานอื่นเลยนะครับไปแล้วก็เก็บหอมรอมริบซื้อตั๋วได้เท่าที่ไปได้แล้วก็มุ่งหน้าไปเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราอยากเปิดโลกของเด็กๆนะให้เห็นโลกที่มันกว้างขึ้นแล้วประสบการณ์จากโลกกว้างใบนั้นนะกลับมาแล้วก็มาพิจารณาดูชุมชนตัวเองเมาพิจารณาดูตัวเองแล้วก็ พัฒนาตัวเองนะครับไปพร้อมกันเอาความรู้ที่ได้ม า, ม า, ม, ามาส่งต่อให้เพื่อนและในขณะเดียวกันเวลาไปแล้วหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็คือต้องไปสร้างโอกาสให้คนอื่นที่จะตามไปข้างหลังใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็ตอนนี้ผมรู้สึกดีใจมากเพราะว่าคุช่างบอกผมบอกกับผมว่าผมจะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อไฮสคูลที่อเมริกา ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับผมครับผมเดี๋ยวสักเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเรามารู้จักน้องชาดกมากขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงทําอะไรกันแน่เรียนกันยังไงทไําไมมาอยู่ที่คณะละครมดกใหม่แล้วเดินทางไกลขนาดนั้นหลังเพลงความกล้าครับผมถ้าธออยากอยู่กับฉันที่แห่ง น, นี้มีสิ่งที่เธออยากเ สาวน้อยจงกลาา้าถ้าเธออยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนั่นก็คือกติกาตกติกาบางสิ่งจงกล้าหามันไม่มีมมอรอกความกล้าหาญที่ท้าห้อยหาแรงบันดาลใจในี่คือโลกที่ไม่มีคนกล้าจะนำพา ตัวเธอจะไร้คร่าถ้าเธอจะเปลี่ยนปแปลง เธอเธอจะเปลี่ยนแปลงใครที่เธอต้องมีงมนั่นคือความกล้ามันไม่มีหรอกความกล้าหาญที่เธอห้อยหาแรงบันดาลใจนั่นคือความกล้าไม่คือโลกที่ไม่มีคนกล้าจะนำพาให้เธอต่ำลงนัจนคือคจะไหลไป ผมเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสถานีเล่นหลังเลิกเรียนนะครับเมื่อกี้น้องชฉดกก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหประสบการณ์ของวัยสิขวบเดินทางไปทั่วโลกนะครับเอาละครไปเล่นตามที่ต่างๆแถมนอกจากนั้นยังมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ทําไปพร้อมกับการเรียนการสอนด้วยนะฮะอยากให้น้องเฉดดกเล่าให้ฟังหน่อยว่าเออวิธีการเรียนรู้ในวิธีของ คณะละครมดกใหม่หรือบ้านเรียนละครมดกใหม่ที่น้องฉดกเรียนอยู่นี่เป็นยังไงฮะอ่าก็มันจะแตกต่างจากโรงเรียนข้างนอกก็ตรงที่เราเรียนแบบมันเหมือนโรงเรียนประจำครับผมคือเราทั้งหมดอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันอยู่ที่นี่ด้วยกันตื่นตั้งแต่ตีสีครึ่งตื่นขึ้นมาฝึกฝนจุดเทียนแล้วก็ตามลําดับอาวุโสนิยมแล้วก็ ซ้อมรำขนซ้อมดัดไม้ดัดมือไปแล้วก็เข้าสู่ช่วงภาษาอังกฤษก็มีมาท่องภาษาอังกฤษของตัวเองแล้วก็ไปช่วงด น, นตรีไทยด น, นตรีสากลช่วงนี้ก็จะกินเวลาตั้งแต่ตีสีครึ่งยาวไปจนถึงประมาณ8ปโมงถึงโมงครับผมและหลังจากนั้นเราก็จะทำความสะอาดประจำจุดที่ได้รับเมอหมายแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะตีกอกินข้าวตีกอกินข้าวก็พอกินข้าวเสร็จก็จะ แยกย้ายแล้วก็มารวมกันทำทำงานภาคเช้าทํางานภาคเช้าก็จะกินเวลาไปจนถึงประมาณเที่ยงแล้วหลังจากนั้นก็จะพักกลางวันถึงบ่ายโมงครึ่งและหลังจากนั้นก็จะตื่นขึ้นมาทานข้าวเที่ยงแล้วก็ทํากิจกรรมภาคบ่ายแล้วก็ถึงประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วก็จะแยกย้ายไปอาบน้ําอาบน้ําล้างหน้าอะไรแปรงฟันเตรียมกินข้าวเย็น แล้วพอกินข้าวเย็นเสร็จก็จะเข้าสู่ภาคกลางคืนครับผมภาคกลางคืนก็จะแตกต่างไปตามวันแต่ละวันบางวันก็ดูหนังบ้างดูหนังดีดูสารคดีบ้างบางวันก็ซ้อมดนตรีบ้างครับผมนี่คือวิธีปฏิบัติที่เป็นประจำทุกวันใช่คแล้วก็สมาชิกที่อยู่ด้วยกันกับน้องชาดกเนี่มีระดับไหนบ้างครับเอาสมมติเอาทีมจังวังดาก่นนะ จางวังดำระดับที่เล็กที่สุดคือน้องชายผมครับผมคือน้องคำคุณตอนนี้อยู่ป .2 แล้วก็โตขึ้นมาหน่อยคือคำฉันอยู่ป .4 แล้วก็รุ่นมัธยมต้นมน .2 ม .3 ม .4 แล้วก็ม .5 มีแล้วก็เป็นพี่แชมป์ที่จบมาหาวิทยาลัยปริญญาตรีแล้ว แล้วก็พี่อาร์ตที่โจตอนนี้กำลังต่อโทอยู่แล้วก็มีพี่ระดับอาจารย์คุมอีกทีหนึ่งครับผมอ๋อนี่คือการดูแลกันเป็นเขาเรียกว่าดูแลกันในแนวตั้งใช่ไห<ช>มะฮะก็มีต้นไม้ใหญ่ดูแลต้นไม้เล็กแล้วทำโปรดักชันก็ทำพร้อมกันทำร่วมกันไปเลยใช่ครับผมแล้ววิชา อ, อื่นเราได้เรียนไหมฮะเช่นวิชาสังคมวิชา วิทยาศาสตร์อะไรทำนัเ้เราเรียนยังไงฮะเราก็ได้เรียนครับผมคือเราจะเรียนผ่านละครทั้งหมดครับผ่าน8กลุ่มสราระเนี่ยคือผ่านละครทั้งหมดสมมติว่าเราอยากทำอยากเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอันเบิร์ตไอน์สไตน์เราก็ไปศึกษาแล้วก็ทําออกมาเป็นละครแล้วก็แสดงครับผมนอกจากแสดงให้กันดูแล้วก็เอาไปเล่น<ช>ที่<ะ>ที่<ป>ด้วยไปแสดงตามโรงเรียนครับผมตามโรงเรียนต่างๆ อย่งอย่างคณะละครมรดกใหม่อย่างน้องฉดกเล่นละครครั้งแรกที่เป็นละครไปเล่นตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยตอนอายุกี่ขวบครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณหกขวบครับผมหกขวบเริ่มเล่นละครแล้วใช่ครับผมก็ตอนนั้นก็แสดงเป็นลูกศิษย์พโยคีในเรื่องพระไยมณีครับผมก็หน้าที่ก็กลวนพระกลวนพโยคีนิดหน่อย เป็นที่สนุกสนานครั<ะ>เป็นตัวโจ้ครับเป็นตัวตลกตัวขำแล้วตอนนี้ฮหน้าที่บทส่วนใหญ่ที่ได้รับจะรับบทไหนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนเล่าเรื่องครับผมอย่างอีกไม่นานก็จะมีงานเล่นเรื่องไว้สันดอนผมก็เป็นเทวดาคนเล่าเรื่องครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้รับบทพวกคนเล่าเรื่องคนคุมเรื่องครับผมแ <laughs> ปลว่าเป็นคนเล่าเรื่องเก่งนะฮะ ประมาณนั้นครับผมแล้วเครื่องดนตรีเอกอะไรของที่ฉาดกถนัดมีถนัดวิชาอะไรเป็นพิเศษไหมครับเครื่องดนตรีเอกเครื่องสากลจะเป็นคีย์บอร์ดครับผมเครื่องคีย์บอร์ดแล้วก็เครื่องดนตรีไทยจะเป็นผมได้ทั้งคอ้องทั้งทุ้มแล้วก็ดานาทเอกด้วยครับผมแล้วมีวิชาที่สนใจเป็นพิเศษไหมฮะวิชาที่สนใจเป็นพิเศษตอนนี้คือเซอร์กัสครับผมเป็นเกี่ยวกับจักกลิงพวก กายกรรมพวกโยนบอลสามลูกอะไรพวกนั้นนะครับผมตอนนี้สนใจเป็นพิเศษครับผมทำไมถึงสนใจกย ก, ยกรรมเซอร์คัสอะไรพวกนี้ฮะมันสนุกครับผมมันสนุกแล้วก็มันได้ทำอะไรกับเพื่อนมันได้มันได้ใช้สมาธิเวลาซ้อมเราอะไรเราได้สมาธิจดจ่อบันั้นจริงๆครับผมเหมือนมันพัฒนาตัวเองด้วยครับผมโอเคนะครับน้องชาร์ดก็ พัฒนาตัวเองขึ้นมาจากการเล่นละครขั้งแรกตัก้งแต่6กขวบนะฮะหลังจากนั้นก็เติบโตมาในสํานักศิลปะกาละครเพื่อการพัฒนานี้นะฮะแล้วคนผ่านไปผ่านมาเข้าออกแล้วปกครองกันยังไงดูแลกันงไงมีกฎของโรงเรียนมีข้อบังคับอะไรไหมฮะเราไม่มีข้อบังคับอะไรประมาณนั้นแต่เรามีปัจจัครับผมเป็นปัจญายหกข้อในการใช้ชีวิตในมรดกใหม่ข้อหนึ่งคือพร้อมใจกันทําพร้อมใจกันเลิกก็ พร้อมใจกันทำพร้อมใจกันเลิกข้อ2อคือทำแล้วทำเล่าจนทำได้ข้อ 3... แผ่วที่ผลทำที่เหตุข้อ 4... อยู่อย่างต่ำทำอย่างสูงข้อ 5... ไม่มีเรื่องเราที่เร่าไม่ได้มีแต่นักแสดงที่เร่าไม่เป็นแล้วก็ข้อ 6... เป็นอย่างที่กินเป็นอย่างที่อ่านเป็นอย่างที่สอนครับผม ก็คือใช้หลักปัญญาหกข้อนี้ในการดูแลกันใช่ครับ่ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลผิดถูกตัวไหนแล้วก็กลับมาที่ปัญญาหกข้อนี้ยึดหลักปัญญาหกข้อนในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นครับผมอ๋อโอเคครับผมแล้วรู้สึกว่าโรงเรียนตัวเองแตกต่างจากโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนมัธยมอื่นๆอะไรยังไงไหมฮะก็ ตรงที่เราเรียนเป็นแบบแนวเราเรียนทุกแนวครับผมตั้งแต่แนวแนวมุมแนวดิ่งแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงคือคือนอ น, นคือนอนก็เรียนไม่ไม่ใช่คือ <c ười> <c ười> เราเรียนทั้งแบบระดับชั้นเท่ากันอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนทั้งทุกระดับชั้นเรียนพร้อมกันหรือเรียนข้ามเราก็คือเราไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมตรงนี้แหละครับ แล้วนอกจากนั้นเมื่อกี้น้องชาดกนะคะได้พูดถึงเอาละครวรรณคดีไปทัวร์ตามโรงเรียนต่างๆไปเล่นตามโรงเรียนต่างๆใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวทางรายการเราหาเพลงละครเปิดให้ท่านผู้ชมฟังสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันเป็นเพลงนี้มาจากไหนใครเขียนเราไปฟังดูครับหัวใจอยากจะรักใครสักคนแต่ค่า แค่ได้รักยังไม่พอฉันยังเฝ้ารอต้องการมากกว่านั้นหัวใจที่ได้รับมาจากเธอไม่เอา คำเพอเพียงลมปาอย่าจากฉันไปแต่อยารักกันเลยเพราะอะไรเพราะเธอเพื่ออะไรเพื่อเธอเพราะใคร เพราะเธอยังไม่พร้อมที่จะรักอย่างไรไม่มีใครเป็นของใครฉันก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทางออกเน้นมืดมนสับสนเหมือนคนหลงทางที่อ่างวางเพราะฉันหลับไหลไม่เคยสนใจคนรอบข้าง สร้างภาพให้ความราักหัวใจไม่อาจรักใครสักคนรู้ดีก็มันยังไม่ถึงวันที่ฉันนั้นเติบโตที่ฉันนั้นเข้าใจ ัครับผมเพลงจากละครเวทีเรื่องมัทนภพาทานะฮะซึ่งว่าด้วยเรื่องราวของความรักนะฮะซึ่งเขียนขึ้นโดยอาจารย์นายท่านธรชนจันเรืองนะฮะเป็นคนแต่งเพลงฟินเนเล่เป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี้แล้วก็เพลงนี้ได้ใช้เอาไปทัวร์ตามโรงเรียนต่างๆ มาเป็นระยะเวลากว่า6ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังทัวร์อยู่น้องฉดกเคยเล่นละครเรื่องมัท น, นาผาทาไหมครับเคยครับก็เล่นนุกปีครับผมเล่นเป็นตัวไหนบ้างครับก็เริ่มแรกคือเล่นเป็นแค่เทวดาครับผมเทวดาที่เป็นคนรับใช้ของเทพระบุตรสุเทศครับผมแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสุพางทหารเอกของพระราชาบ้าง เล่นเป็นไพร์ลูสีบ้างครับผมแต่ก็ยังไม่เคยเล่นเป็นนางเอกสักทีครับผมน้องจดกเล่นเป็นนางเอกเนี่โอ้โหคนดูคงจะแตกตื่นทั้งโรงละครนะฮะ <c oughs> แล้วเรื่องนี้เคยเอาไปเล่นที่ต่างประเทศบ้างไหมครับ่มผมยังไม่เคยครับแต่ว่าน่าจะมีรุ่นพี่พเขาน่าจะเคยเอาไปเล่นบ้างครับผมเอาไปเล่นที่อเมริกามาแล้วได้ข่าว ใช่ใช่ครับใช่ใช่เรนที่สถานกรงสุนที่อเมริกามาแล้วนะได้รับความประทับใจทั้งเมืองไทยแล้วก็ที่อเมริกาด้วยนะครเพราะเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญของการทําบทละครของคณะละครมอดอกหมายคือเราจะไม่ยอมให้วรณคดีมันกลายเป็นเป็นวรนคดีที่ถูกแช่แข็ง ไว้ในหนังสือวรรณคดีและก็ไม่สามารถเอามาเชื่อมโยงได้วรรณคดีกลายเป็นของขึ้นหิ่งนะฮะแต่การตีความของครูช่างและก็การตีความของอนักเขียนที่เขียนบทประพันธ์ที่ใช้ละครทัวร์ขึ้นมาสิ่งที่จำเป็นมากๆคือเราจะทำยังไงให้วรรณคดีนะครับดึงประสบการณ์ร่วมของผู้ชม ดึงประสบการณ์ร่วมของยุคสมัยดึงประ ส, สบการณ์ร่วมของนักเรียนที่นั่งดูอยู่นะฮะให้มารู้สึกใกล้ชิดกับตัวละครแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเขาข้ามยุคสมัยมาเป็นมนุษย์จริงๆเหมือนกันกับเรามีรักโกรธโกรหลงแล้วก็มันรู้สึกทันยุคทันสมัยแล้วก็มันสามารถนํามาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงๆได้และวัฒ วรรณคดีก็สามารถปรับเข้ามาที่ไม่ใช่แค่ความงามทางภาษาอย่างเดียวแต่ปรับความงามทางรสชาติและชีวิตของตัวละครผ่านละครเวทีกลับมาสัมผัสกับผู้คนได้จริงๆน ะ, ะนี่คือสิ่งที่พวกเราทำอยู่น้องๆชาดก็ทาอยู่ถูกไหคะครับ ม, มีละครเวทีเรื่องไหนที่เรารู้สึกประทับใจเป็นพิเศษไหมะรับที่ผมชอบเป็นพิเศษคือเรื่อง น่าจะเป็นเรื่องอีนเนานี่ยแหละครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกที่ผมเคยเล่นเป็นตัวที่เป็นคนดำเนินเรื่องเองทั้งหมดซึ่งมันก็ยากแต่มันก็สนุกครับผมซึ่งแต่ก่อนก็เคยเล่นแต่เป็นพวกคอรัสเป็นตัวประกอบฉากเป็นตัวรองบ้างแต่ว่าคราวนี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็พึ่งได้ขยับขึ้นมาเป็นตัวเลาเรื่องจริงๆครับผมก็สนุกดีครับผม ว่าหน้าที่ของคนเล่าเรื่องก็คือต้องจัดการให้ละครกับคนดูเป็นหนึ่งเดียวกันชเชื่อมโยงก็ไปหาคนดูให้ได้เล่นมีมีหน้าที่เล่นกับคนดูถูกไหมฮะใช่ครับผมแล้วก็ต้องไม่ต้องไม่ทําให้คนดูหลุดออกจากละครด้วยต้องพยายามคุมคนดูด้วยครับน่าสนใจมากนะฮะตำแหน่งนี้ แต่พอพูดถึงเรื่องเล่นแล้วเราก็ต้องวนกลับมาหาสถานีเล่นหลังเลิกเรีย <tricked> นใช่ไหมฮะใช่พอเล่นแล้ว <Had> มันเป็นยังไงฮะน้องฉดก็ก็ง่ายๆครับก็พอเล่นแล้วมันก็สนุกครับผมครูช่างก็พูดอยู่บ่อยๆว่าถ้าเกิดเราไม่สนุกเนี่ยเราก็จะไม่ยั่งยืนครับผมก็เหมือนละคร ละครเราก็ละครที่เกี่ยวกับสถานีเล่นก็คือละครกักงหันของปูดอนเนี่ยผมก็ได้เล่นด้วยผมเป็นนักดนตรีกับนักประกาศข่าวก็ในบทก็จะมีปูปูดอนเนี่ยชอบพูดว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แก่เพราะว่าเราเราไม่เล่นแต่เพราะเพราะว่าเราไม่เล่นเราเลยแก่นี <c oughs> ่นะครับอันนี้คืออันที่ผมชอบมากครับผมเรา ไม่ได้แก่เพราะเราหยุดเล่นแต่พอเราหยุดเล่นเราเลยแก่ใช่ครับผมครับผมก็หวังว่าพื้นที่แลกเปลี่ยนสร้างสารรค์แบบนี้นะฮะก็จะไปกลายเป็นพื้นที่ที่จะพาทุกคนเอาเรื่องราวชีวิตตัวเองหลากหลายวัยนะครับมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้มันเกิดเป็นพื้นที่ที่สนุกสร้างสารรค์และนําพาผู้คนมาเล่นหัวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเราเชื่อว่าหากเล่นแล้วมันต้องสนุก และมเมื่อมันสนุกมันจะยั่งยืนใ่ไหมครับก็อยากเชิญพี่พี่น้องๆเข้ามาลองเล่นที่สถานีเล่นหลังเลิกเรียนนะครับมันมีกิจกรรมหลายอย่างครับผมมีทั้งโขนเซอการ ซ, ซึ่งผมก็เป็นสตาฟในกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็มีช่างร้านกาแฟชําฉาชาแฟอร่อยมากครับผมซื้อกินบ่อยๆแล้วก็มีอาหารปอสารพศชของพี่สตังก็อร่อยครับผมอยากเชิญทุกคนเข้ามาครับผมที่นี่สนุกครับผม ครับผมก็ถ้าสนใจนะครับกิจกรรมสถานีเล่นเปิดแล้วนะครับเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเล่นดนตรีไทยเต้นโขนซ้อมละครเล่นละครมาเขียนบทมาเล่นดนตรีกันได้นะฮะที่บ้านเดียรละครมอโดกใหม่นะฮะ25ทั10ตําบลคลอง6 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะฮะหรือว่าสนใจอยากรู้จักคณะละครนี้มากขึ้นบ้านเรียนนี้มากขึ้นก็เข้าไปที่เฟซบุ o กนะฮะพิมพ์คําว่าคณะละครมรดกใหม่นะฮะก็หรือไม่ก็พิมพ์เข้าไปใน Facebook พิมพ์คําว่าสถานีเล่นหลังเลิกเรียนนะฮะก็จะมีแฟนเพจเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกั น, นครับพื้นที่นี้คือพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับคนทุกวัยไว้เจอกันใหม่ สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ We'll be alright. 국민 clap.